นภมทัสะภควโตอระหโตสัมมาสัมพุทธทัสสะธรร ม, มจารีสุขังสีสติพุทะบริณีปานาโตปัายาตังแ ร, รกเกเก่าพระพุทธเจ้าเข้าสูนิปานไป i ณิสาสนา ลงแล้วส5งปั้นหาวาสาาษาปัจจุบันสมัยไมยว่าเป็นปีพุทธศักราชส5งปั้นหวา ส, าสพาษ า, าเข้ามาแม่นตัดกับเดินสี่เรียมหาคำาีปั้นสามเจสตูในวันวันี้สืบไปไปลายนาสันติไดเตเตสนาธรรมว่าด้วยเรื่อง ผู้ปฏิวัติธรรมนั้นยอมนอนเป็นซุกคือผมหยอกศรัทธาตุกภูตุกคนตั้งใจสะดับรับขังสืบไปไปลายดาปาลีตีได้ยกขึ้นมาในผมหยอกศรัทธาเพราะนั่นว่าธรรมะจารีสุ้ขังเสตีเปว่าผู้ปฏิบัติธรรม นำเอาความสุขมาหื้อผููปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขกันเน่ผมเมียวสะทาเขาที่ใดผู้กำกว่าน์ธรรมที่ได้อธิบายเน่ผมเมียวสะทาสื้อั้งไปนานวันนี้ได้หันผมเมียวสะทามาหลาย ก็เยื่มใจที่ผมหยอกศรัทธามามาหลายก่อเตศนาธรรมมาเกกว่าที่เตศนาธรรมพระพุทธเจ้าเตสนาธรรมบอกปัทมาอนตามเกินมีคนฟังหาก่อวันนี้ผมหยอกศรัทธาเข้ามาก็เป็นปากก่อก็เยื่มใจที่ผมหยอกศรัทธาเข้ามามาก่อหนึ่งกติมสองก่อก่อติด ผมยอยากสัท่าวันนีนก็กวยมาดิอันก็อันออนาผมมีหลก็มาถามว่าตุ๊บีมาหาเสียงเด่ที่เทศนาทำเหมือนไหนที่ไปมาฟังก็ปเป็นนักร้องเป็นห้องวาอันคอนั้นไปติดตามฟังอยู่สีส่สเป็นห้องวาแฟนแฟนนัร้อง เพราะว่าเป็นเตชนาธรรมก่อนที่มีแฟนอยู่กับไลน์นี่ยผมเอากาซัต้าเข้มาเป็นแฟนแฟนทุกปีแสงแดงค่ะก็เป็นผู้ที่ต่างฟังหลายผู้หลายคนเกิดได้ฟังธรรม เ, เตชนาที่ได้เตชนาธรรมไปใส่แผ่นซีดีเมื่อเลี้ยวนี่อยากใจผมเอากาซัต้าว่ะเพราะสมัยก่อนนี่่ ม, มีแผ่นซีดี ทำมาเตศนาผูกเดี๋ยวเอาไปเตสน่าตีไหนก็ได้ทีเหมือนได้ฟังเมืเ่อเล้ยวพออัใส่แผ่นซีดีที่มาเตี๊ดลึกลงสองนเกลือเหี่ยงสตารว่าที่เราคิดอันใหม่ทีเดียวอันเก่ามจะเอามาวามันก็มาอันหนากวายาตุปีจักเสนินเสินพอนเดียวไงยาตุปีจักเสิน มันก็ม า, นน า, าขันนาบอกครับผู้เสริญก็เดียวพอขันตังหมอนจำบอกเราเมีย อ, อสัทธาเขาวันนี้มาเตชะนาทำในผมเมีย อ, อสัทธาเขาว่าด้วยหึ่งปู่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมันว่านันเ่นเป็นสองขอ้อข้อที่หนึ่งปฏิบัติปองกั้งเฮาไหวเห็สาม แก่กตําแก่กรรหนึ่งไปว่าทำธรรมะนี้เป็นสั้งปฏิบัติธรรมไจไปแตรียมทำไมจะเอาธรรมะติดปมหย อ, อกซัธธท่าผู้จับทำอยู่ปมหย อ, อกซัท่าผู้จักผู ก, ก็อพบววาถึงธรรมหย อ, อกซับท่าก่อนที่นึกถึงธรรมใบลานมันก่อนนึกถึงธรรมปรับษาอันตุปีผาปีเขา เอามาเติเ ต, ตสะสนาเนี้ยอันนั้นก็เป็นทมอยู่ผู้ปฏิบัติธรรมว่านั้นก็หมายถึงปมอมีย อ, อกสัทธาเอาธรรมะขอใดข้อหนึ่งผาจํำจิตผาจ้ำใจปฏิบัติสิไปไปาลายนารังผูรังคนก็ถือศีลว่าตั้งแต่นี่สืบไปไปลายนาจิมขาสัตตจิวิต อันนี้ก็ได้จึดแบบเป็นภูปฏิปธรรมเหมือนกันลางภูร่างคนก็ตั้งใจไว้ว่าตั้งนี้สึกไมนะ่ปลายนาเขาติมเปีหลายเกินติมไปละของเปินสมัทาตในใจและปฏิบัติ์ศึกต่อไปอันนี้ก็ได้จุดว่าเป็นการปฏิบัปธรรมเหมือนกันผมียกเสถากันนี้ร่าการปฏิบัติใหญ่ โอเขาใหญ่ๆ ใ, ในพุทธศาสนาเรานี่มีอยู่สองอย่างสองขาาั้นตอนคือหนึ่งสมถะสองบีปัสสนาสมาถะอันนั้นเป็นการฝึกคือเขามีสมาธิคือเขามีใจตั้งมัน่นไหวไงก็เ ม, มียศรัทธาเาราพอใจมันเป็นทื่อเปิดมาสอยหนึ่งไหว เปินมาโอยหนึ่งกว่ไหวเปินมาขี้หนึ่งกว่ไหวเปิดมาไหวหนึ่งกว่าไหวโดยไม่พิจารณาเป็นเหตุตีไปตีมามันป n จจัยขมันจังไหฟังคำเาเอากำไง่อยเมียกสะท้าเขาคำสอนเมื่อก่อนเปินสอนไหวเป็น สนใจว่าเมยิงใส่ล่างหูใส่ปี่หูนั่นคือ ห, หูหนักนิด ห, หนึ่งคือหูหนักนิดหนึ่งอย่าปี๋หูเบาเพราะ ม, มี อ, อสตาส่วนล้ายเมยิงหูเบาฟังกำไงเอาไปหว่าแในกันโควนัวนทั้งวันจำในกาดไ้ดีกว่าเป็นปี๋จริงไกล ติวานี่ตั้งตีนะแต่ไม่ออกเขา้าว่าต่างตีมีกติสอนใจอยู่ใบไในกันว่าเท่าใดปฏิบัติกรรมฐานสมถะกรรมฐานเหมือนเท่าภาวนาอยู่นี่กำหนดลมหายใจเข้าออกกวดีกำหนดตีต้องกวดีปุตโทรกวดีปองแบบกวดีแค้คือใจเป็นสมาธิตั้งมัน พอใจเป็นสมาธิตำมัญญาการนัดการสวนการคิดการเป็นอยู่เาเปิมาจมาสอบ่ไว้งเปิมายกยองูชาผมไว้งสียงวันันมา่ไวงต่ีพปีเขาก็ที่ได้พกันนี้เพราะว่ามีสาวสงวนาเาก็เต็มเยหลงขาไงหาตีหิมันคืออะไร ใจจังตีแข็งไปมีจิตใจสมาธิตัมันโดยมีปัศนาอโดยสมถะกรรมฐานเพราะว่าจิตใจเป็นสมถะกรรมฐานตั้งมันแลว้วก็เอาไปเขา้าฝึกอบอกรมกรรมฐานนั้นเปิดจังตีย่อใจเอาึ้นสุวิปัสนาพอใจมันตื่อใจมันติงตนั้นที่ยกขึ้นสุวิปัสนานั้นมันลายง่าย ย่อขึ้นอยู่วิปัสนาพิจารณาตัวใจเทานี้เป็นอาิจัมตุขังอตาผยาดสถาอนตามสุนันเ์าทใดกรรนับลงหัวใจเขาออกตัวใจเทานี้ไม่กันเพใจนี้ย่เปินสอบมาความตัวออหมกันีเนี่ยยจิตใจขึ้นสุวิปัสนาวิจารณาตัิจารณาใจ ปิจารณาอารรมปิจารณาโดยธรรมคือหู้แจ้งอันเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตานั้นได้จือว่ามีปาสนาการปฏิบัติทางที่ใดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ตามกองศาสนาเพราะวา่าเขาปฏิบัติมางใดใจเขากันเข้าย่าเยาวเอ า, ามีธรรมในจิตในใจเอารมวันนี้ก็ที่บอกมาหักษาคุณปมเหี่ยกสถทาน ตอกน้ำไหลไฟลามใหม่สรงเลยว่าตอกน้ำาหลไยลามใหม่ก็เพราะว่าเราใดปฏิบัติธรรมจุ่มยันกัปโตกัปใจเปิ้ใส่เข้าใส่ของเปิ้ลใส่อาจุนมาผมเตื่อเหาเปิ้ลไขสว่ากระาสาวมาตามหลังผมเตื่อเหา เปิดไข่แหกข้อหายสุมมาสสยขมตื่นเอาเลทํานี้ที่ฮักสาวกันนี่เฮากา็เอาขายก็ดีนาหอต่อเพิ่นาาก็ดีก็มีความสุกอุ่นตุนใจสืบไปไปลายหนาปฏิปัติธรรมยากันนี่ใจเขาจุ่มเฮวยันมามีหลายผู้หลายคนปฏิบัติธรรมน่นคือปฏิบัติเตเตเนอผู้นี้ศรัทธาเขาปฏิปัติ้วยจถถิต้วยใจเขาเตเต อย่าไปไปฏิบัติเปิดไข่ฮีไข่นเนบุลเหมือนก็ไปปฏิบัติมาปบอกมาฮีมาเนบุลเขานี่เป็นคนมีศีลไม่ทำเออเอาไปเข้ากมำมาถังเออสุจะนิมเขา้าโลสุมเม้อโสุมเฮ็ดโลสุนิมมีศีลสุนิมมีธรรมปองเอากันในิ่มใจปฏิบัติทำยาวผมอย่างสัตย์ท่าไปเปิดยอกยองตู้เก่าดูดีเละไปขี่ปุ่นเขาปฏิบัติทำเขาพูเขาคันเขาก่อตดตนเตนนิมน่มๆอยู่ แต่พอ hắn ฝันูก็กวอกว่าเนนํากวกวอสอนสั่งอันนี้จากนี้จว่าปฏิบัติธรรมถูกต้องีงาอย่าปไปปฏิบัติเบอร์ไขีนเปิลเบอร์่ปลาชื่อเปิาเฮาหนีเมือกรรมสินกินต้านเออเมื่อปฏิบัติธรรมกรรมอัเอออันนี้พอไข่ฮีไข่เนเปินิ่ใจปฏิบัติธรรมกลอยู่สัทธาเา คือใจเขาจุ่มเฮอยังนั่นเกิดจังที่เป็นปฏิบัติธรรมกำเจียงซอบเจียงปากหิมในเบิ่นก่นวาวขากปฏิบัติธรรมได้ไดีแล้วก็จังที่มีธรรมนี่มา ห, าาหาักษาเขาเหมือนดั่งปารีวิบาธรร ม, มาจารีสุ ข, ขังสีตีบผู้ปฏิบัติธรรมนั่นยอมอยู่เป็นสุขต้องน้ําไหลไฟลาาใหม่ เขาปฏิบัตในจนุลิศมกาจากไปนายอาเกาะติติน ต, ต, ตัวห้องเมอผมียงศรัทธาเขาผมเหมียวศรัทธาเขาตั้งสิ่งตัางมูลเกิดมาหนี่รังพูรังคันกาะหัางดีรังคันเกาหัางจ้าลังคันเกาเกิดมามีเงินมีคารังคันกาเกิดมาทุค้าผันใจ รังควนก่เกิดมามีแผลปัญญาจะละผาดายรางควนก่อเกิดมามีแผาปัญญาอันตุนจ้า่างปูรังควนก็มีแผาปัญญาผมโยกสะทากเขารังปูรังควนเกิดมางามรักษนาดจต็โทนนังปูรังควนเกิดมารักษนาผมเต็มทนเหลือๆยๆ่อนนยม พระพุทาเจ้าเดชนาเก่าวเกยไขว้ในสุตตันตปิฏก迦จว่าจุลากมมกรมวิธามกสุคนนั้นเกิดมานั่นคนเกิดมาเป็นคนหัค่คนมีนั่นพ่อปู่ป่าได้กินได้ตามปมโยรัทธาได้ร้อมที่หอมตานตามเจตนาสรทาแบบมหาใดเขามีเจตนาที่ก่าตาา่างนัน อย่าปปต้าเปิอเอาเสนหน้นาตาตา้านเปิเองแคแข่งขันกันเพราะต้านจะดีกว่าได้พลนะนาบุญเดวันได้ก่ผมอยากศรนะัทธานณะกันนี้พ่อว่าได้กินได้ตังอันควรเกิดมาทุคายอยากเกิดันใจนะั้นผมอยากศรัทธาพ่อป๋าจากที่ปางหลังนั้นไมนได้กินในตาได้กินในต คัานันเกิดมาเป็นคนหันดีนหังงามพอเกว่าชาติปังหลั้นั่นเป็นคนมีจิตใจเมตตาเหกว่ามักจ่มักเก็ผเหียศรัทธาเขาจ่มักจ่มกเก็บมักใจดำแต่นันนี้เกิดมาถึงจากกางามมาผมเวียศรัทธาเขาจ่านี่ก่อนงามเลยผเ ห, หียศรัทธากขตัวหล่ ปนนาควัดพุ่งร้เปิดกลองไข่อูปมือขายโครูป้ปนนาวัดเปิดกล่ อ, อ, อ, องไข่อูปผมอยากสท่าก่เปิดกลองไข่ซื้อก็หเมมือขายโคแค่นากวัานนาาดน้าหอกี่ไรยุ่งไหวตุกข้าอยาเปิดขานใจป่านใดก็ยุ่มไหวเอาใหม่ก็ไฟมากำมใหมก่ก็เดียวก็มันขยุ่มวันนี้พิธภูม่ เมื่อว่าผบอกเฮิร์นันนี้ไปขายลังไข่ปูต่อไปนขายหนนะังผมียกสัทธาเราที่เราอยู่ใหมะว่าอยู่มาจากดีกว่าหางดีมัหลงามพอปันนั่งแกันมัหล่งามปัป น, น, อ, น, ปนอันออกมาในทฤษฎีเงีเ้ยเมียกสัทธาเราแต่ว่าจาดนีมันงามเส้นตาของปอยอยู่นี่งามดีฮะ จัดนี่งามจัดมานามผสม ง, งามแก่คนทัานเกิดมาตีมีผิวปัญญาจะละผาผายผู้รั ก, กสัพสวดนั่นพ่อเปอิดวา่าเข้าหาหนักผาอาจารย์มาปล่อยศรัทธาเขามาบัดมาว่ากอทองถามด้วยนักผาอาจารย์อันไหนเป็นศีลอันไหนเป็นบุญอันไหนดีงามอันไหนดีงามกอทองถามอื่น เกิดมาทั้งจากอันว่าจึงเป็นคนมีผิ้าศรีปัญญาลักเลียงเสียมไทยคนเกิดมาอันมีผิปัญญาเห็นอิหธิธรรมของไรลก็พ่อเปิดว่าเข้าหานักผักอาจารย์ท่องถามเปินอันไหนดีอันไหนงามอันไหนเป็นก้งสินก้องบนของถามปืน้นเตี้ยวมากาลเนปมียอดสัตว์นี่ ใจว่าือผมอยากศรัทธาต่ำกองใจว่าเาเกิดมาจากไหเนี่ยยอมหักในกรรในบุญเตียวแหมาเนยใจผมอยากศรัทธาเหือสียเขาเกิดมาโดยบุญปังหลังโดยปาปังหลังแล้วมาจากนี่เขาสามารถแหงคือดีเหลือเก่กรณีเขาพูดาอ้กรณีเกิดมาในหังจ่าโรนี่แบบรมไข่ตัวหนา ก็หักฮั่ยใหมไว้ทุกหมุนอยุฮใจดีใจงามจานหน้าก็งามจานอีกโปรงามโปหศรัทธาเกิดมาฮู้หตการของคืนใหญ่เจริญกากาคล้ายๆของผังมีเป็นพ่อเป็นบ่าวหอมรหอมติดหอมตันไรเสศระบก็ได้จักปันปืนละกอนจานที่เขาถูกดีตานของนี้เขาถูกดีปันของเอ ตาเจตนาสาัตยอาคามเมาสั่ใจกมีกรรมขอเขต้านะการมีกรรขอเขตานะกา็กกผ่านลำบากใจมีกรรมคนหนึ่งวะมีหลายอย่าตั้งเิศมีเกศวะอย่าได้ตั้หลายคาม็มตตาความีหลายตั้งเกศมันก็ว่าสัทกี ผูมีเกตานหลายคนแลานาโคเคตันมันที่กินเลี่ยงตองผมมีไปตาในสิ่งเพราะฉะนั้นมีหลายอย่าตัางเกตมีเกตอย่าตัางหลายแบบคือเหมาะพอดีพอดีคนตางผมทุกคาใจตุพาสังขารหับมาผมทุกคาใจผมหย อ, อกสัทธาเขามีอะไมาตาหนีคนหับก็ตุกคาใจนะผมหย อ, อกสัทธามันใจแบบขลเลย อ, อู้ปนมีตานบะันนี้มันปอกนำตาบัตอแบบ แกนีมีสืบอันนี้ก่อนพ่ารคือเขาไดู้้เหลืองาติปังหลังเขาสืบ ม, มาถึงปัจจุบันเขาเลืองการปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติธรรมก็หักสาวอุนนันสงมาถึงปัจจุบันนี้และทที่สอ จ, จากษปานนัเนี่ยสมัยก่อน มีชายก็หนึ่งสงกภูมมีเจ่าโกตุฮาลิกาผมอยูสถานอยู่ในเมืองที่หนึ่งเมืองนั่นแต่ก่อนก็เป็นหั่งเป็นดีวายมาเมืองนั่นเกิดตุกภิกับไพว่าหากินก็ายากเป็นโรคภัยไขรเจ็บนาน า, นาต่างๆ ขันผมขยู่ในวานในเมงจนกันนปออกวังออกมือเหมือนเอาปามายนสายไหลไปอยู่เหนียวเนียจนกั้นปออกวังออกมือเมื่อสองก้าวผมไม่ได้สามีหลุดหน่อยก่นองเกิดแก่มอามปลาผมปลายที่ตายหใครจ็บยี่มันหลายน่สองกวก็จนกัปเออง่ที่ขาเมืองหนึ่งเนมืองนึงี่เตี้ยวตังค์นี่มันไกล ผู้หลูกน่อยไอ้เการ น, นี้พอมาถึงการตังต้งปีกันต้อผัวุมกรรมมีอุ้มกรร ม, ม, ม, มผัวกา น, นี้ผนี่เขาก่าอยากไมเ่เันกหนเลือใจมาเอาลูกนอยนี่ก็ต้ผวมานี่เออเก่ามีว่มีน้องเอ้ยนั่นนะลูกเ้านี่กันวาเข้าไปไวอยู่ดีดีเออเขามีแทงก่อายุว่ พอหลุดกเปี่ยนเมนูหมดผมเมนหันหลนำใจเนูหั่นลุดไหลแบบเปลี่ยทีนีได้อุ้งมือกันนี้ก็เป็นกอุ้มือพอตกัอุ้งสํารัเอาวางไว้ที่เกม่มือพอมีหวมาันเสมอเอาลไปไว้ที่ไหนเอาไว้ก่ไหม่คุณนี่เมก็ลไปอุ้มา สืบไปทงแฮตสองสามอก้วยข่าวตามมีขา้านาโคจนอาหารถักตาลลูกหวานกอกเลตายไปสองกอกกอกแนนันข้างันไถ่แหลมื อ, อไปถึง้งเมืองหนึ่งทางมีเป็ดที่ยาแหลไปขอยัง่งเพิ่นควันเล่งโบคันเล่งโบกออุปถาติถกตอนเข้าเตี้ยเอาขา้านาโคจนอาหารมาปั่นถึงสองกอกมีเขา เขานำปูเจรณาหารดีอันกามมาฝันสองก็ผมไม่ก็กินนั้นกันนี่ผมอิ่มเมื่อเอาปัดผมกินแทงกันนี่ผมตื่กินอยู่นั้นผมอยากเสัยทาเข้าควันเล็งปูนั้นเอาเข้าไปขึงหมาเล็งหมาไว้ตัวหนึ่งเอาเข้าไปเล็งหมากันนี่มันหันกันนั่นคิดในใจว่าโอ้หมาตัวนี้กลมาีแต่หมาตัวนี้กลมาดีแต่ มันเิดอยู่ในใจมณียากันี๋อาหารในต้องมันจ่อยมัตั้งเหมือนปู่าพาอตายต่องแต่งผมยกสธาในธรรมหารไฟต้องไม้มัตั้งมันกว่าตายมือกว่ามันตายมือดี้ถอดจิ้มถอดใจเขา้าไปอยู่ในต้องหาอันนีว่าท่าะนะ สมัยก่อนก็มีก็เมียสธาคันเาทาตีตายเนี่ยเปิดหว่าสันตติจิตอันที่สืบต่อไปต่างงานตนีตายนี่จังได้มาบูชาเข่งปริขาตีวัดไปไหว้ทีเอืนมันก็นิมนต์พระสังฆานิมนต์พระสังฆาไปสอนกรรมฐาน นี่มันพระสังฆาไปสอนกรรมฐานดีเหินเป่าฟันติตายี่คือได้นึกถึงตามสินตามอุญจากที่ได้ไปตามตีนตีงามได้หันพาเหลืองได้หันพระสังฆาเจา้จาจำติตายไปเกิดตีนตีงามไหนผมหยอกสัทขาเขาสมัยก่อนนี้ป่าคนหนึ่งหลงมาเจ้าพืไว้กันไหนกับที่เมื่อต่อทั้งคนี่ป่าอนนีนี่ เป็นคนแก้ไขขายมากก ว, วสัทาซื้อถึงมาปอเท่ า, าปี่นองก็มีบัดมาของเขากรรมนีมันที่ตายาอ่คนในวันในขงอินดูไปนิมนต์สังฆามาสอนกรรมฐานตูปีเขาก็มาสอนกรรมฐานแบบเมเทาวออ่าจอมเน้อว่าจอมเน้อสัมมาอรหังสัมมาอรหัว่าจอมเน้อมเมทา ชีวิตนิมก็ได้ยินํำยินทำยินบอกนี่วาจองกลมจับไหลบอกเป็นสัมม า, ราอรหไหสัมม า, ราอรหไหกลมหียวศัทธาเขาเบอรหอยนึนฝังใจหอยฝังใจก่มหียวศัทธากา็เก้าขาันบอกฝังใจหลแค่ดตังหมือตั้งฝังใจนาฬิกา ต, ตตาตั้งตไว้พอตื่นมัตางากลมันฝังใจนี่กลมียวัทธาา นี่จังว่าใจนั่นก่อมันฝังใจว่าหมานี่ดีแต่แลจึงได้ถอดยิ้ถอดใจนี่เข้าสู่ต้องหมาเกิดเป็นหมาหน้อยมาเป็นตีดีหักคนเล่โม่ซ้ำได้อุปถ า, าุมลาตุกปีตอนหนึ่งเป็นภาพปัจเจกภาพพุทธเจ้าตา้งเขานำสาส่บาตบุตวันตุวัน หมาว่านี่หันก่อหักไปหักไปสองไปหักไปสองไว้หลังมานี่คนเลี้ยงกูใจหมาน่อยตัวนี้ไปหักพระพันเจริญกัปปุระเจ้ามันบ่กเขาป่าไปไปเขาไอ้สามบ อ, อกสี่บอกห้องพระพันเจริญกัปปุทะเจ้ามาปิดที่ไปซื้อมือสืบบ้านมาหักหักกันหมานี่หักพกระปันเจริญกัปปุระเจ้า สื่อโยมศาาเหมือนาวกรงคัน้าวกรงคนอินเดวตนง น, ตต น, น, นี้สุสุนกบินะังี้บมีศาเรอยู่กลาหลหลเป็นาุอันสืโยเหมือนมือา หาปั า, าจากเจ้าจสิทธัตถะมือออกปวด น, าานั้นจิตก็ขาดตายกำนกำนียรอยู่มั่งถึง น, นางพาปัจเจกพุทธเจ้าก็ไขปลายไผ่เพรดังตีครไปภายเพดังตีก็ไปอกล่างคันเล่งโบนีพอกาะลาเล้ยวาปัเจกพุทธเจ้ากะสยองรู้ยุริยานขึ้นฝาเล่นไป มาหน่ยตันี้ก็เงีย้ยโยสืบต่อไปมันจิ้มหลายหันพระปฏิจจคุปตะเจ้าจังแล้วมันกใาา่ใจขาดตายใจขาดตายไปเกิดเป็นติวะบุญจิวะโกสก้าัทธางตงไปเกิดเป็นติวะบุญจิวะโคสก้เสียงนี่เฮงเสียงกรองเสียงดังซอกแซกตีหูก็ดิ้เสียงไปไกลยสยนะั า, าง สิพโยชนะโยชนาหนา่หมอกสีลักเมืองสะท้าสีลักมจฉสีักกว่าสิ ส, สีลักเนี่ยนะสิบพอบอ้อโยชนะซอกแซกเลยสียงนนยังจะนักัมณีโกเสงจากการเป็นตีบาบุตรลงมาเกิดในเมืองของั ในเมืองนั้นสร้มีสัจจีก็หนึ่งมาเกิดในเมืองควันในเมืองนั้นมีสัจจีก็หนึ่งมาเกิดในเมืองควันนี่เกิดที่ไหนไปเกิดในต้องของเมหญิงขาตัวองค์หสัทธาเกิดในต้องของเมย์คำรังในเมืองกาละนี่ข้าคุณนั้นเป็นเม่์คำรังอันเป็นเม่เม์ขายตัวนี้กันว่าเกิดเป็นห น, นุ่ควันจามันนข้อติมเอาองค์หลวงสัทธาเล่ยดูเจ้าเปี อันนี้ก็เหมือนกันเนะเกิดมาเนาก็เป็นขวัญใจกมเล่งดูเอาไปเปลี่ยนเอาไปเปลียนดีของอยากเยอะผมอยู่สัทถาคนนะกำนี้สันทีก็หนึ่งในเมืองนันซัาไปเฝ้ามาหาธัตุบอกมาและมาควบสายผู้รู้ hip หมอตรอกหมอใต้คูนหนึ่งเรนทับข่าวข่าเหตุการณ์นานาต่างๆ มอปรหิบก็มาตว่ามาตมายโดย ว, ว่าฟันเกิดในวันนี้นั้นที่ได้เป็นมาหาสถิรู้การ น, นี้สถิตก็มีเมฆอันหนึ่งต้องใหญ่เล่ใจฟันไปเดวยว่เมฆจากเกิดตือฮะเมฆเกิดเตือเละาจางฟันไปโซ่โดยในเมืองนี้ให้เกิดวันนี้ โคก้หนุ่ม น, น้อยคนนี้เกิดมื่อนี้นั้นมีความแก้เร่งไว้เดี๋ไปขอซื้อมาปังหนึเอามาเร่งไว้สักทีก็นี่คิดในใจว่ากันว่าหนุ่มเขาเกิดมาเป็นนั่งยิงเดี่ยวโคซก้นี่กินแขกแต่งงานจังกันกันว่าเกิดเป็นขวอญใจเขาเดี่ยวโคซก้าคนนี้ข้าดเปดโกมันมาเป็ดเข้าไปกันนี่ มันกเกิดมาเกิดมาหลุกมันหลุดสัทีนี่เกิดมาเป็นคน่อจ่ายก็จึงใครเอาโสกสการนี่ไปขาแปดปมอยูกสทาเขาใจเ้านอกไปแปดที่พระรูของโก้คือโวยังไหลโวเป็นจากหุ้มตัวหนึ่งนั่นออกต้องไวแบบวันกูวนก่วันมีวันนี้ออกวันต่างเปินไปอาคาโขไว มันบังบูต่างัวมาเย็บมายักควนเล็กวูไปหันใส่ก็แก้มมาเล่งแก้มมาเล็กยาวสักทีก็ใจควันไปตัวมันจันตายมันตายถือมีควันแก้มเล็กเลยก็ไปขอซื้อมาแทงเงินแทงปังนึ่ยขอซื้อมาเยอะกามีใจควนใจจิว่านางกานีแบบมอ่ศรัทธาเขา ใจค้นใจนั่การนี่นี่เอาไปวางไว้ตามโลกติคาตีมือเปิดหางโป๊กกาเน่ น, นะมานนิเอาไปวางไว้ตามโลกโลกมากกว่าที่นิ่งตาโป๊กาห้าร้อมาถึงตดตาโลกนั่นวูใส่โลกวายใส่โลกต่างนานันเมื่อผดินาขาึ้นไ เขาบอกเป็สังเลยเมื่อคว่นฝาดคว่นตีจือของมือและจนก็นลองไปตวยลองไปตวยก็ไปหันใส่หนุ่มหน่อยโคศ ก, การี่นอนหายเอเอเอยู่ก็แก้มมาเลยพอสักทีจำใจคนไปสือไปถามเหี้ยาจังตายเถอะมัตายถือไปขอซื่อมานเหี้ยเงินแทน่งังปังเลย กันนี้คือเอาไปเปียดีป่าจาเอาไปเปียดตีป่าเหวคือสรางรกินตายเอาไปเปียดแล้วบอกคนมาสามีเมยเป๊ะตัวหนึ่งกูเหมียวเสียทาไปอาขาขแหวนปั้นโคสกตัวนี้กินนมเปะควันเล้งเปะไปหันสงแกมารีแแกมาลีแข่จังตายแล้วตายเ ถ, ย ถ, ย ถ, ยถอะกูไปซื้อมาแข่ง ซื้อมาแทงเอาไปพืป้นแปดต้อเข่ากันนี่พื้นแปดต้อเข่าสไปต้อใส่คือใส่ ย, ยุ่งกับตัวก้อมลองมือถึงตายดินเหนตายควันสารสารไปหันใสไปแก้มมัดเหี่ยมกันนี่กาลเวลาก็ผ่านก้อนไปผ่านก้อนไปต่อถึงมาหลูกสตีก่อใหญ่หลูกใจัวนี้ก่อใหญ่เป็นลหบบนนลูกอ่อนหน่เจ็ดแปดขมเปียดจมกันมาหลูกวานเดือกันมา ยายมาตีข า, จามจังทานตีหั่มจังหั่ก็ย้อนเปร่าโคสกาก้อนนี้ได้อุปถาในลุมลาโดยดูภาพพเจกาพุทธเจา้าน่ยยายมาตามหลังรับสองก้อนี่ก็มีซ้าไข่หั่งเทและผมยึดสถานะเตรียมหลีงใส่ในมือโคสกานี่คือสองใบปันปวดเสียวมันอันปั่นหมออ ปันมอเผามอนี่เต็มงิใส่เมื่อ้ว่ากันหลุดหว่านใจก่อนอินไปถึงนี่คือคาแปะเสได้เอาเขาในเตาเขาเนื้อมนันกล่องหูหลิกหลดหวนน่อยยุบเอาหลิกนี่เลียนเบื่อกันนี่ก็ไมีลูกปอดสัตยีซ้ำต่อเกมเปิดเลเกมเปิดการเลียนเกมเปิดกานซุนมน่มไปหนซุ่มไปหนเนยกันนีไอปี่ะมาต่กเตียงนิดหนึงลูก มาต่อเตนี่่งนี่ซุ่มป็นไมเามาต่อเอาคืนหนูมันสั่ต่อเกมนต่อเกมนั่นกันี่ก็ไล่อีกปในจเไปบันที่เป็นปันโมปนนี่มันเป็นสังขาพวกมันบันเตี้ยนมาๆ ม, ม, ม, มันก็สวัสดแล้วก็เลี้ยเือนหน่อยมันก็มาแตนเกมต่อเกมกันมี่ลุกสักทีนี่เลี้ยมาถึงก็เอานีไปยืนปันกหัวฟันปันโมก่ขาเปลี่ยนแล้วเขาในเตาเขานสตากรอดตายไปเถ ซื้อมาพอใหญ่าอายุพอเขามาสิพาสิพเขามาสิพาสิพยาวกันอีสั่งเตี้มริ่เื่อทงอันที่สองคือเลยหับใดเห็นไดศึกษานี่เมียปวส ก, การนี่ผู้ดีผู้ลายสังพอเปิดว่าเป็นหมูจังไข่ค่าไข่แห้มันเจียนหน่อยกันนี่พอสทีนี่มีบ้านสวยเฮืองสวยอันแก๊ปนินนั่นอยู่นอกเมืองผมอยากสทาเา เตียงหีกปั่เมื่อเหิไปสองปันน้วในหลีกนี่ป่าไปบางกันหจัดใจผูมาสองลีกถึงเย้าวิคือขาดใจคนนี้แหวสีอย่าพิลึกเปิดหูเปิดหันการนี้มันก่อเมื่อเอาหลีกเมื่อถึงตีบ้านสวยนั่นนะ่ะกันนี้ก่เปิดก่นเล่งเขามันมันกินเขามือนก่อนนอนลับอ่ะไปถึงตี บ้านสวยนันหลูกสาวของเขาสามีคนนึงแบบน้ามาหันใจคนนี้ก่อนจับตาจับใจหนาจับตาจับใจยาวกัาานนีมันก็ามาลักเกี้ยวหลีกอันมาไว้ีโผ่ า, า น, นลักเกี้ยวไปอ่านตัวไปอ่านตวยาวกนนี้อ้เป็นเด็กี่มาสาตาตรงนี้มันก็ลักเปลี่ยนกันนี้เปีนว่า ถ้าการไหว้ใจผู้นี้มาถึงแล้วนี่คือแกเงินบานสวยตัางสิ่งตัางมนีเอามาจุกกันใบตีหนึ่งแล้วก็แคดนขึ้นหลังหลงเคิร์นใบถังหลังหนึ่งแบบแล้วก็เอาใจผู้นี้แต่งงานกับลูกสาวต่างเจ้าให้เด้อกันนี่ก็ปวดอันสถีบานสวยนั่นมาอ่านด้วยก็หันเป็นอีแหล พอสักทีหลวงอันอยู่ในเมืองได้ยินได้หูข่าว ก, ก่อกำเนิดกายเป็นลูกไถ่ไครแจ่มของเสถาแจ่บจำนำใจหลายนะจำคาจำแหมมาแต่เจมได้จกจมหน่อยนะสืบมากกมตายถึงข่อใหญ่สมมาไรเตียมูลคับขุงวันหอกทั้งนี้แจ่มใจสองลิงมือคือกสูส ก, การีมาหาโกสูส ก, การีมู้ซาตันแต่เก้าถึงไป กันนี่นางเมียก่อโคสก้ากมาหาเปิดมาส่งลิงนี่อย่าพี่เมื่อถึงโคสกาก้าแบบมาถึงเมียกันแบบเมียนูขาา่าก่บกอสถิหลงนี่มันอยู่ดีพอมาถึงตินางเมยเมอ่านด้วยก็ถามด้วยว่าสถิตเป็นหรืออยู่ปู่ยังกินเข้าได้อยู่ของเก่าหลหือในหูมัเก่าหรือหกันนี่มาส่งลิงยังเมืม่อหา ก็สอบถามด้วยแทงไปคือเดียวนี้กินขเขาเปล่ไหอ่ะสามปอกสี่ปอกถึงมาสถทีเดี๋ยวนี้อูกัข ง, กกขงของไหลอ่ปากกังความของไหลอ่ะจกที่คือผูมือกันนี่เออปีเอ้ยแบบมื่อเดีวนี้อีปอกอยู่ดีว่ะไปหาว่ะมันกอเป็นันกังอันเนีเมื่อนะเมื่อถึงย่านนี้เมสั่งว่าปีอยู่ปลายดินเน้อแบบน่องตีหนังตังคังกังนาออกนี่าการีเมื่อถึงปสที กมาเบียดนาเบียดหลัตึงหลูกไปตึงหลูกใจมันพ่สักทีนี้มันตีตายมันไม่ใจขับุุนไม่ใจมูลาขับุนปรากฏตกอในมือโคส ก, กานี่แทนมันตีกล่าวามูลาขาบุนตั้งเสียตั้งโมนีติมอาบันโคส ก, กาบกทีเน้อีประกาศเบิดเปิดนะพอมันอาสาหาประกาศคำสองข้อ นาอันเป็นเมล็ดเขนาผักทุบนาออก่นน่ะกล่องอเฮไท <Yes. S 2> ีู่มีไฟกโอ้ยปยอย่าพิบาวซะหน่อยอย่าพ่าที่เราให้อานาผักทุบกัเราตายเนัมันตั้งไรปากพน่ะนี่เหมือนบอกมียิงก่อจอยปดใจไะ้อยู่นะรู้เอาตายเมื่อกันนี้ก่ตายเมื่อยาวมันก่อนเลเตียนในเตียนมูลาขบุญเป็นสัจีหลูในเมืองน่ะ จังปูปุโรหิตาจานจิงว่าเกิดเมื่อนินที่เลยเป็นสถีหลวงอันนี้พอเบิดสร้างผมหยอกสัทธาเขาก็พวอเบว่าได้ปฏิบัติธรรมได้กินได้ตาได้ยันดีมากว่านั้นทาหักษาเหมือนปอกเขาโม่ตก็มีควนมากำําแฉมีควนมากำําจูมีควนมาลุงดาอันนี้ก่อเหมือนปอก ม, มาคนเดียวตัว ม, มีได้สอกไหาตัมี ก็พาว่าเขามีบุญไหว้จารย์ที่ปังหลังใดใหนใดสร้างไว้ผมอยากศรัทธาเขาเกิดมาจากนี่ก็จึงได้มีทำกั้มจอยได้มีทำักษ า, ามือต้องไปติกติยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากศรัทธาเขานึกถึงศีลตึกธรรมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรม ซุกติตีได้ยอกมาเนื้ผมเหยียบสะท้านั่นเหมือนดั่ตัวอย่างที่ได้ยอกมาเก่าเนื้ผมเหยียบสะท้าในการปฏิบัติท่านนั้นปฏิบัติไหนผมเหยียบสะท้าก็เอาใจปฏิบัติเหมือนก็ พอเกิว่าสิ่งก่อนมันอยู่ที่ใจแกเมื่อว่นน่้เมื่ออยู่ตีใจเมื่อเข้ากรรมฐานนะเมื่อมันอยู่ตีใจยังเสี่ยงอันนี้มันเรื่เอาใจว่าอยู่ตีใจกว่าใจอยู่กุมเมียศรัทธากว่าแต่บาใจกว่าละเัีโตักว่าละเอียดกายก็จีมนู่กายกรรมกจีกรรมมนหูกรรมสประการนี้ที่ได้เห็นพร้อมกันพอเอาใจว่าเกิแต่ รังเท่าก็ดีรังเท่าก็มดีผมเหงือกสะทธาเขาการปฏิบัติธรรมประวังหมอปฏิบัติหนังปฏิบัติอยู่ใจฟุ้งใจปลิวภาวนานั่งตูจ่จื้อจื้อใจจับเ่าไปเหงาตัวผมอยู่เสมภาวานาสุดปีแบบอาเบจีอบอหลอดกัมโบลานต์มี นั่งภาวนาวตัวเจิญคิดถึงเ ง, นาางนินคิดถึงนาการมเหงียบสัทธาว่าตัดนตัวขายเขาพักกาเราคิดถึงเผูกได้ขายไซองพี้าขายดอกเกี๊สเนื้อคิดถึงถาไหวนิ่มไมไหวใจเต่งใจมันน่นฟืที่ตีมันเป็นไรผมเหงียบสัทธา ตื่นตีได้ฟื้ออีสังก่อยาวมานังภาวนากรรมเดียวใครก็ได้มากาทะทํำภาลธาทังนั้นเป็นไปได้ยายกผมมีศรัทธาเหมือนก็มาปฏิบัติธรรมยาวทำว่าตัเขานีเลยมากาทะทําำราลธาอย่างตังางอีหยองอีแยงเหบือนติดดินเลยก็มีฉะนั้นการปฏิบัติธรรมสงขอ้อตีว่านี้ผมมีศรัทธา ไปของเจ้านั่นปฏิบัติธรรมโดยวิธีสมถะกรรมฐานให้ดืใจนิ่มใจเต่งใจมั่นอยู่ที่ไหนก็เฮ็ได้อยู่ที่เฮื่อก็ปฏิบัติได้อมยังศรัทเปิดมาจุบมาสศเขาก็ติมไว้งเปินมาปองมาด่าเาผมไว้งมาปิบัก็ปฏิบัติได้ ทมปฏิบัติแล้วมันตั้งใจปฏิบัติก็เหมือนอยู่ที่เอนะเินอ่ะผมอยากศรัทธาการบามาปฏิบัติปฏิบัติก็หนุนเสือเพื่อกเขาวดีงามแฮตัวใจวิญญาณาัดใสเคยหันหลายตีผมอยากศรัทธานอนบัดปฏิบัติทำแต่ว่ามา มาอดมาอตั้งหัง่ตั้งมีไหนกันก็มีมันก็มาปฏิบับติทางสายจอบพื้มาหานอยู่ก็เตสายคอสายปกป้องหนู อ, อนแบบคอปกป้องเตียเหมือนเสนาบใส่ในเสือผมอมแจวออกหลอกเสือพออยู่ตั้งนาเปินปเปิดไว้สาธุหยอกขวัญอวยเปิดที่ได้หันแขนมือ่างหลัง อันนี้ก็จังเป็นปมโยกสะทากฉันนั่นเนี่ยเอามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาที่ใดไห้แล้วก็วางยกเอาใจสูงใจขึ้นสูงคือจากโลภะโตทราบโมหะโลภะไข่ไลหนะไข่ไรไครมีใข่เป็นหนะอันนี้คือมันเบาหองหมันปมโยกสะทา โตซาใจเกลียดใจดําใจป้อใจเห่าอันนี้ก็คือเบาหลงความหยุดชะตาโมฮาเจอกรรมเบาเอากรรมไงมัดหลงมัดลืมอันนี้ก็คือได้เบาหลงอยู่ๆเลยที่คือจะนี่เบาหลงกลมไหลผมหยุดชะตาที่ใดปฏิบัติกรรมเจ้างอ่อยๆฟื้นก่อยยืนก่อยๆกันจากที่นี้มาจากที่เปลี่ยนมา เขาปฏิบาาัติฉันนยะกามีนาหอต่เอเฮิร์ผมยศรธาปฏิจุมเย็นผมมูเมอยู่จํา ก, กันตีจุ่มย็นใจม า, า, ากหน้าหอต่อเฮิรก็ดีมาเป็นลูกเป็นเต้วกวากออเขาหาเป็นลูกเป็นเต้วกวาก่อนับถือผู้เป็นปอเป็นแม่มาแต่ถ้าผู้เป็นปอเป็นแม่มี โลพามีตัวสโมหะหลายมีตัวซนมามกเก็บคือหลูกคือหลานบุญปอ้องคือหลูกคือหลานลูกหลานก้องไขมาหาผเหมียวสทาหันหลายปู ห, หลายพ่นนะ่ะลูกหลานไปไกทไก่เหมือนก็กองมาเมือใดมาที่ตายอ่นีฉะนั้นคนเทาคนเกะเป็นปอเป็นเมคือใด ไหวใจดีใจหวานลูกหลานจังที่อยู่ไกลทั้อย่า ง, น, งนั่นนั่นก็คือขนเข้าขั้นเกนั่นลูกหลานที่อยู่จอมนั่นที่ได้มีสัมปตีไว้ส่วนหนึ่งผมมีศรัทธาเขากำบูรางว่าเขาโกมันต่าเหมือนมันผ่านโกได้ผ่าน เ, เขาถ้าผ่านเหมือนเท่ามายั่งไรหามไรมาลูกหลานอยู่จอมมานิลําบ้าผมมีศรัทธาเขา มีนกแขกเตา ต, ตัวหนึ่งมีปริวานหลายนะร้องไปกินข้าวสาลีในไห่เหมือนตุวันตุวันนะต่างตักวก็กินอิ่มต้องเห้บินป่ายไปนกแขกเตา ต, ตัวนี้กินอิ่มต้องให้สังก่า ม, มือจอมควรนป้ายโสนหันใสอ่านนกตัวนี้โลภเด็ด ต่างตัวเปินกินอิ่มม่เปิดมือกันมันกินได้สำกับมือทันนี่อั น, น้ยากมันคือไรกันนี่ก็นายพานก็มาหางเหี้ยวยากไปยากได้ลรมาเจ็ดหางตัวอ่สันต่างตัวนี่เปินกินอิ่มยาวกว่มือแต่เจ้านี่กินอิ่มสากับมือจอหนี่แค่สั้นเลยแค่ตันนี่มีโลผ้หลายอ่ะหุ่ใจวะหุ่ใจคากับมือนี่ ท้าไปแบ่งเป็น4ีส่วนผมเห่สา 1. ส่วนตีหนึ่งนั้นข้าไปทายนี้ส่วนตีสองเอาไปปั้นเกลนกูส่วนตีสเอาไปหวานใบส่วนตีสเอาไปแปะลงเหว่ผมเหวี่ยสะท้าจากตีปอ๋อตีว่าเอาไปทายนี้นั่น พ่อบอกว่าตีหังฮวนขนานมีหนอกป๋อหนอกเมฆเข้าเท้าเข้าเกย์เยอะมือเฮาหนุ่มเขา้ากอเล่งเาไม่ออมือเหล่วนี้ปีกเขาก้ากอรหลอนหางกหลอนบินไล่ไปไล่ย่าใน่วนหนึ่งเ ข, าาขา้าไปซ้ายมีบั้เข้าซ่วนตีบ่าวไปบั้นปืนกูนะนุกก็ตีหังขนาดขามีหลูกมีเมือหลุกหน่อยข้ากวก็มี เอาไปเล็กเข้าเข้ายัางปีกกาถามแขนยังจ่างบินเต้อแล้วไปเล็กเอาไปดูเขาใหญ่มากเขากดดีมาสายขาข้นกับนตีว่าเอาไปหวานไว้นั่นรูให้เนะรื่องชู้ับแค่หน้าทำตวัวตีว่าเอาไปหวานไว้นั่นตีหางนอนี ต, ตอนใหม่องนะั้น มีนกขาหักมีนกปีกหักนกเทานกเก่นอกอันมีปอบมีเห ม, ม, ม็มีหลุมมีร้านก็มีอยู่ข้าไปเลี้งดูเขาเจ้าเออกำเ น, นี่ยตีเอาไปวุดลงแขีวหวานหวานนารูปองซังตี เ, เอาไปพุดลงเขียวนั่นขัาแก้ไว้กินนะผมเหมนียวสตาอาอันนี้จากนั่นมาฟังไปสนก็หนักถือมัน นับถือมันแหละอาวุญญาตันมีไข่จิ้มก็กินไข่โตขึ้นก็โตออกมาหรอกอาวุญญาติมันอันนี้ก็สอนใจค้อผมหลวสัทธาได้หัวไวในการสร้างนาหัวโตนอยู่ในโลกสองศาลีผมหลวงสัทธาตามขีตามกองสาสางนั้นเขาเฮ็ดเขาหาโดยนำเถิดใครโดยตุกโดยหยาดมีเงินคำโกสัมปตินะเอากะที่ได้แบบจะเนี่ยผมหลวงสัทธา เทากับที่ลายแบงไหว้บรรลุบรรลาโหรไหโหรนามูลาขปุนเป็นหอเป็นเพือนเติร์ินไหว้บรรลุบรรลาส่วนหนึ่งการ น, นี้ทั้งส่วนหนึ่งก็ไหว้กินไหว้ตามมีติบมีตมเหมือนวันนี่สอบทก็มสีสมาตาก็เลยตามจเปิ เป็ดไปตางาต่างีไหนก็เลยกิบเลยตานจมเปิดแทงส่วนหนึ่งเอาวย่าเทยังเก่่าาก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่า่่่่่่่อยู่่่าานน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่ก่่่่่่่าา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เขามีคู้ของสัมปัตติสวาหามาใดเขากลตี่ได้แบ่งเป็นปุ่นเป็นฝ่ายจะนี่คือถูก ต, อต้องตางของธรรมวินยัยลูกหลานก่อที่ดูแลเขาเพราะว่ า, วายัางมีโหรไหโหรหน้าอยู่มีสัมปัตติโก้ของเงินคำอยู่เขากลตี่มาอยู่จำดูแลเขาเขาเท้าเขาเกะมากผมตุก๊กหยาดโดยอาหารการกินเขาไข่ติ๊บไขตามเปิดมือเมืองกระลาเปิเมือเมึงไทยไปจริงไหมเขาบอกในมือจมื่น ย้อนเปือเหตหาไว้เหมือนหนุนเพรเหมือนหนุนเหตหาเข้ามาตุกขาดเหมือนกั้งโหราณเจ้าว่าเขากูมันตาวเหมะมันผานกได้ผ่านเหมือเท่าหลงศรัทธาการแบ่งโกของการหมอใจหมอสวยตามเหตุตามกองศาสนานี้ก็ได้จีวะปฏิบัติทําเหมือนกันเมื่อมอยู่ศรัทธา ยิ่นั่เอาความสุขปุ่นตุนใจมาคือผมอยกศรัทธาเขาลูกหลานก็วหักนาหอตัวเพิ่กว่าสุขปุ่นตุนใจเอาเท่าเขาเกะมาเลี้เขาสองกินสองตากของปุ่นขาดอันกินอันตัดจได้จือว่าเขาปฏิบัติแล้วก็ทานั่นที่บอกมาหักสาเขาหักษาตูครักษาใจเขาเขาเกิดมาผมอยากศรัทธาออกต้องมาออกต้องเหนื้อมาให้อยู่เวรเนี่ยผมไหลสม ถึงข้าวมื nt, en, ้อกล่อมลายสังเือลูกหักปันดงตาหัวใจกล่งจั่งลามือจอมกูของเงินคำหาไว้ก็ไว้สูตรเหมือนด้วยกลจั่งลามือจอมผมอย่างสัทาเขามีใบยาบเย็นเป็นปุ่นเป็นภายดีๆกันมือจัดไฟนามันิเอาูุ้ศลนาบนมือจอเขาจักงที่มีความสมบูรณตุนใจตั้งจูนี่แหละจาดไปหนาได้วันนี้ ได้มาเติเตะศนาธรรมเนี้ผมหยอกสัทธาวันหนึ่ ง, งผูกปฏิบัติธรรมยอมอยู่เป็นสุขนั้นผมหยอกสัทธาก่อสนามจับจืตไว้เอาธรรมะใส่จิตใส่ใจแหละกรรมเจนปฏิบัติไปเตะศนาธรรมมาก็สักูนเก็บเวลาหนึ่งจงมงู ปัน่นมาหวาวันนี้ก็ได้หนึ่งจุดโมงพอดีเ ต, ติดไปหลายต่งางนานาวผมหยกศรัทธาเขาแหลายก็มาตั้งใจฟังเสริรวันนี้เสิร์ฟเหมือนก็เคยฟังในแคปซีดีวิดีโอใครหั น, หนามากว่ามีใครฟังธรรมมากกวมีฉันได้ก็ดีวันนี้ได้ฟังธรรมมากก็วางไว้ในใจผมหยกศรัทธา ที่กล่อมใจแล่นำไปปฏิบัติตามกําลังคิดได้บาของเป็นของใครของมันสึบไปไปลายนาเตสนาวาสานตีสุดท้ายแห่งการเตเตสนาทำในวันนี้ขเอื้อความมียกศรัทธาทุผูตุกคนจงอยู่เราา่าเศาดีอยู่ดีกินหวานมีตีคาอายุมันเก่นจินยาว เป็นผูปติปฏิบัติธรรมกรรมเจ้งธรรมะอันดีอันงามคือมีความสุขอุ่นตุนใจในนาหอต่อเฮิมีความสุขอุ่นตุนใจในการเป็นอยู่ในชีวิตทุกๆวันเหมือนกันตุกผูตุกคนกิยาเตศนายังธรรมอันจื่ว่าผูปติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนัน กษัาริย์เจ้าบุรามุลกาหกุนเต่านี่กวนเต